บางคนสงสัยว่าทำไมผมถึงได้เจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติบ่อยนักตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ผมค่อนข้างจะสัมผัสกับสิ่งพวกนี้ได้ตั้งแต่เด็กผมเลยจะมาเล่าให้ฟังเริ่มจากตอนผมเด็กๆจำไม่ได้ว่ากี่ขวบเป็นช่วงตรุษจีนจะมีการไหวบันพบุรุษที่บ้านผมเป็นคนเชื้อสายจีนก็จะมีการตั้งโต๊ะไหว้กันมีอาหารขนมเป็ดไก่เต็มโต๊ะ พอผมบอกให้ผมกับพี่สาวคอยเฝ้าที่โต๊ะให้ดูแลทูบเทียนป้องกันไฟไหม้ผมก็นั่งเฝ้าตามคําสั่งระหว่างที่คุยเล่นกับพี่สาวเพลินๆสายตาผมก็มองไปที่ใต้โต๊ะเห็นเป็นขาคนสองคนแต่พอเงยหน้าขึ้นมาบนโต๊ะกลับไม่เห็นมีใครผมเลยก้มมองลงไปอีกทีก็เห็นเป็นขาคนจริงๆคนหนึ่งใสก่กางเกงขา ย, ยาวสีดําไม่ใส่รองเท้าอีกคนใสก่กางเกงพลิ้วๆ คล้ายผ้าแพแบบขาบบานสีดําไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันพ่อเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่เห็นมีใครบนโต๊ะผมทําอยู่อย่างนี้สามครั้งก็เห็นเหมือนเดิมเลยบอกให้พี่สาวดูบ้างว่าเห็นขาคนใต้โต๊ะไหมพี่สาวก็ก้มลงไปบอกว่าไม่เห็นมีผมก็เถียงเถียงกับพี่สาวจนพ่อเดินเข้ามาผมเลยเล่าให้พ่อฟังอย่างละเอียดพ่อก็ตกใจและบอกผมว่านั่นแหละอา่ากับปะกงซึ่งท่านเสียไปก่อนผมเกิดหลายปีแล้ว อากงชอบใส่เกงขา ย, ยาวสีดําส่วนอาม่าชอบใส่เกงผ้าแพรสีดําตอนท่านเสียก็ใส่ชุดที่ผมเห็นนั่นแหละและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับโลกหลังความตายครับยังมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอีกหลายเหตุการณ์ที่ผมสัมผัสได้แต่จะไม่ขอเล่าจะเล่าเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เจอมาแล้วกันนะครับพ่อผมโตขึ้นน่าจะอยู่ราวชั้นปห้าวันหนึ่งผมไม่สบายเป็นวัดธรรมดานี่แหละ ก็ไปหาหมอได้ยามากินนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านสองวันอาการก็เหมือนจะดีขึ้นแต่พอวันที่สามผมกำลังจะลุกจากเตียงไปอาบน้าไปโรงเรียนปรากฏว่าขาผมอยูย่ๆมันก็เดินไม่ได้ซะอย่างนั้นล้มลงไปกับพื้นผมตกใจมากรีบตะโกนเรียกแม่แม่ก็ขึ้นมาดูพยายามบีบนวดแต่ก็ไม่เป็นผลผมร้องไห้ใหญ่กลัวว่าจะพิการแม่เลยรีบพาไปหาหมอ ซึ่งหมอวินิจฉัยว่าอาจเกิดจากความเครียดหรือไม่ก็เชื้อไวรัสลงขาหมอก็ฉีดยาและให้ยามากินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยคือมันเดินได้แต่ต้องเกาะขอบประตูเกาะโต๊ะไปเรื่อยๆขาผมมันไม่มีแรงจะยกขึ้นเองเป็นแบบนี้อยู่เกือบอาทิตย์แม่ต้องพาไปหาหมอจนรอบตลาดรวมถึงโรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีอยู่คืนหนึ่งผมร้องไห้จนเพลียและหลับไปจนกระทั่งกลางดึก มีบางสิ่งดนใจให้ผมตื่นลืมตามองไปที่ปลายเตียงผ ม, มเห็นอะไรกลมๆดำๆคล้ายลูกบอลอยู่ที่ปลายเท้าแต่พอผมเพ่งมองดีๆปรากฏว่าเป็นหัวคนครับหัวของผู้หญิงมีผมยาวๆกำลังอาปากงับที่เท้าของผมลักษณะเหมือนกำลังแทะกินเท้าผมอยู่ประมาณนั้นผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรแต่ขยับเท้าไม่ได้เลยตอนนั้นผมตกใจมากไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่สวดมนต์แต่เจ้าหัวผู้หญิงนั่นก็ยังไม่ไปไหนยังคงแทะเท้าผมอยู่ต่อไปจนผมหมดปัญญาได้แต่บอกว่าถ้าหยุดแทะเท้าผมแล้วถ้าผมกลับมาเดินได้เหมือนเดิมจะบวชให้หนึ่งเดือนปรากฏว่าเจ้าหัวนั่นหยุดแท้เท้าผมแล้วตกลงไปที่พื้นดังตุกแล้วก็กลิ้งหายไปในความมืดผมตกใจจนหมดสติไปเลยพอเช้า ผมตื่นขึ้นมาสดชื่นแถมยังลุกขึ้นมาเดินได้ตามปกติทั้งแม่และผมดีใจมากผมก็เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้แม่ฟังทั้งหมดซึ่งโชคดีที่ช่วงนั้นใกล้สอบปิดภาคเรียนพอดีพอปิดภาคเรียนผมก็บวชตามที่สัญญากับเจ้าหัวผีนั่นไว้ตอนบวชผมได้พักอยู่กับหลวงตาท่านหนึ่งหลวงตาท่านดูดวงได้และยังชอบนั่งสมาธิเป็นประจำท่านบอกว่าดวงของผมเป็นดวงที่หนีมาเกิด คือยังไม่ถึงเวลาเกิดแต่หนีเข้ามาเลยทําให้สัมผัสอะไรกับพวกนี้ได้ตามโอกาสจามนวยท่านห้ามผมไม่ให้เข้าพิธีใดๆทั้งสิ้นทั้งครอบครูรับขันสวดพานยักษ์ท่านบอกว่าพิธีเหล่านี้จะยิ่งทําให้ผมสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้แรงขึ้นซึ่งผมก็กลัวไม่อยากเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วจึงต้องเลี่ยงๆพิธีพวกนี้ตลอดช่วงที่บวชผมก็พยายามแผ่เมตตานั่งสมาธิอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้หัวผีนั่นตลอด จนก่อนผมสึกไม่นานมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่กําลังนอนหลับสนิทหูผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหนักๆ ก, ก, ก, กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ใต้เตียงชนขาเตียงหนังกุกๆกักๆแต่ผมก็ไม่กล้าก้มลงไปมองเพราะกลัวว่าจะเจอในสิ่งที่ผมกลัวพอตั้งสติได้ผมรีบลุกขึ้นจากเตียงวิ่งไปขอห้องหลวงตาที่อยู่ใกล้ๆจุดหลวงตาเปิดประตูออกมาผมก็เล่าให้ท่านฟังท่านจึงเดินไปที่ห้องผมหลับตาลงครู่หนึ่ง แล้วท่านก็พูดออกมาว่าเน้นบวชให้แล้วตามสัญญาเลิกรบกวนได้แล้วเอาบุญแล้วก็ไปเสียในคืนนั้นผมต้องขอไปนอนที่ห้องหลวงตาจนเช้าเพราะไม่กล้ากลับไปนอนคนเดียวอีกหลังจากผมศึกผมก็ไม่เคยเจอกับเจ้าหัวผีนั่นอีกเลยพอโตขึ้นมาก็เริ่มเข้าใจว่าเจ้าหัวผีนั่นอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมก็เป็นได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและกดกระดิ่ง เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ